นี่แลนี้วก็พักที่บ้านมอพ โ, โกนะในเเป็นประเทศพมา่านะนะแต่อยู่ในเขตของกระเดียงก็ถือว่าเป็นการทุดตรงออกต่างประเทศครั้งแรกนะถ้าไม่ใช่การ ไ, ไปเที่ยวนะเดินที่เราได้เดินหลายๆปีก็เมื่อวานนะ คือ น, นี้เป็นครั้งแรกที่ได้เรียกว่าทุดงออกต่างประเทศเลยนะตัดชายแดนนะจากประเทศไทยสู่พมา่าแล้วก็เดี๋ยวก็คงกลับเข้าสู่ประเทศไทยอีกทีนึ่งสมัยก่อนมันก็คงไม่มีประเทศแบบชัดเจนนะนะก็รู้แต่ว่าเป็นหมู่บ้านเป็นป่านะพระเวลาท่านทุดงคงก็ ไม่ได้สนใจว่าเข้าประเทศไหนนะสนใจแต่เรื่องการเดินทางนะชาวบ้านเองก็อาจจะไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นคนไทยหรือคนพม่าก็ได้นะเขาจะคิดแค่ว่าเขาไป็นอย่างเช่นตรนนี้ไอาชี่ว่าเป็นคนปากกากรย์หรือว่ากะเรียงอนะนั้นจะอยู่ประเทศฝั่งไทยบ้างฝั่งพม่าบ้างที่จริงก็มีแต่ญาติพี่น้องกันอื การเดินทางมันก็ทำให้เราได้เห็นสิ่งแปล ก, ก, กใหม่ๆ ห, ห, ห, หลายอย่างเนาะเห็นวิธีวัฒนธรรมของผู้คนบ้างนนหรือบางทีก็เห็นความเชื่ออะไรต่างๆบ้างสมัยก่อนครูบาอาจารย์เวลาทุดงคงลำบากกว่าเราเยอะเนาะสัตว์ป่าก็คงยังเยอะอยู่เส้นทางต่างๆก็คง ไม่ได้สะดวกสบายเท่าแบบนี้หรือว่าที่พักอาหารการกินก็คงลําบากมีครูบาอาจารย์บางทีท่านก็เคยเล่าให้ฟังเนาะก็ไม่ได้ฟังโดยตรงแต่ก็อาจจากหนังสืออะไรนั่นก็บางทีเวลาพระทุดงไปนะบางหมู่บ้านนี่เขากลัวนกลัวพระทุดงนะเห็นพระทุดงออกมาจากป่าเดินทุดงเนีย่ย วิ่งหนีวิ่งหนีเลยจะไปบินทบาลนี้ก็นี้นะหลายครั้งก็ต้องอดอาหารเพราะว่าชาวบ้านบางหมู่บ้านก็ไม่รู้จักประเพณีก็เกี่ยวกับการใส่บาส น, นะเห็นพระธุดงก็กลัวนะกลัวเป็นเหมือนคล้ายๆเห็นสิ่งสิ่งจันไรอยู่นี่นะก็เห็นแล้วอาจจะ โชคไม่ดีหรือว่าอาจจะทําให้เกิดเคราะ ห, ห์ร้ายแก่หมู่บ้านของเขาเนะี่ยก็วิ่งหนีกันเยอะเดี๋ยวบางคนก็ก็เชื่อนะหรืออาจจะข่าวลือกันนะพระธุดงค์ท่านกินแต่ของหวานนะอะไรเนะี่ยเวลาไปบินทบาลทีก็ใส่แต่ของหวานให้กับท่านนะ่ะท่านคงไม่กินข้าวเรากนะก็ใส่แต่ของหวานนะหรือไปวางที่นะนะก็ใส่แต่ข้าวนะเช่นข้าวเหนียวอะไรนะ มีอาจารย์ท่านนึงเขาก็เล่าฟังเนี่ยก็ท่านก็ปักกดอยู่ตรงนั้นหลายวันนะชาวบ้านก็ใส่แต่ข้าวเหนียวเนี่ยแต่ใส่แต่ข้าวเหนียวท่านก็กินแต่ข้าวเหนียวมีวันหนึ่งก็ก็มีโยมก็ออกมาดูเนี่ยที่อยู่ของท่านนะเห็นเห็นท่านกําลังชันอาหารนะท่านก็เลยออกอุบายเอาฝาบาทมาวางไว้ข้างข้างบาทนะแล้วก็เอาน้ำเทลงตรงที่ สาบบาทนิดนึงจบท้าวเหนียวเอามาปั้นๆแล้วก็มาจิ้มน้ํากินเหมือนคล้ายๆทำท่าเหมือนกับจิ้มน้ําพริกใชนไหมเนะาะชาวบ้านก็งงไอ้าทาไมพระท่านเอาเข้าวเหนียวจิ้มน้ำอ่าก็เลยเข้าไปถามคือธรรมดาคือพระจะไปบอกว่าเอานั้นเอานี่มาถวายให้ได้ฤาษีเปล่าเนี่ยมันก็ไม่ได้เนาะ ออืก็ท่านก็เลยเนะี่ยออกอุบายนิดนึงสอนโดยทางอ้อมนะเอาข้าวเหนียวมาจิ้มน้ําชาวบ้านก็เลยถามเอา้าทาไมตุ๊ดเจ้าทําแบบนั้นนะทําไมครูบาทําแบบนั้นบอกอ๋อก็ก็มีแต่ข้าวเหนียวเนาะจะให้จะให้ฉันกับอะไรนะชะวบงก็ถามเอา้าแล้วตุ๊เจ้าฉันฉันน้ําพริกฉันกลับได้หรือเปล่านะก็ฉันได้สินะ อพรชาวบ้านก็เลยแบบอ๋อก็เพิ่งแบบดูว่าเออพระท่านก็ฉันกับข้าวอะไรนะนะไม่ใช่ฉันแต่ข้าวเฉยๆนะวันหลังเขาก็เลยควนควายเอากับข้าวมาใส่บ้างแลือบอกบอกเพื่อนๆ น, นะบอกเนะี่ยชาวบ้านเออทูเจ้าท่านฉันแต่ข้าวเหนียวกับน้ํำเปล่าๆนอพวกเราไม่ใส่กับข้าวให้กับท่านาเลยนะวันหลังก็เลยใส่กับข้าวให้กับท่านบ้าง บางทีก็เป็นอุบายนะบางทีเราก็รักษาพระวิ น, นัยนะรักษาพระนนวินัยไว้แต่ก็ต้องใช้สติปัญญาในการเรียกว่าในการบอกในการสอนญาติโยมนะนะนะก็บางชุมชนเขาก็ไม่รู้นะหรือเขาก็ <c oughs> อบางชุมเขาก็มีความเชื่อแบบผิดๆนะนะนะเราจะไปตำหนิเขาว่าเขา ว่าเขาไม่ดีหรือว่าเขาโง่มันก็ไม่ได้หรอกเขาก็อาจจะยังไม่ได้ศึกษาอย่างแท้จริงเนาะเหมือนกับเราถ้าเราไม่ได้บวชไม่ได้ศึกษาเนี่ยเราก็ไม่ค่อยรู้ว่าวิธีชีวิตของพระท่านท่านทำอะไรได้บ้างทำอะไรไม่ได้บ้างหรือว่าตุดงควรจะทำแบบไหนไม่ควรทำแบบไหนเราก็เราก็ไม่ค่อยรู้นะถ้าเราไม่ได้ถ้าเราไม่ได้บวชหรือไม่ได้ออกเดินทางแบบนี้ เนี่ยเราก็ต้องรักษาพวาวินัยของเราไปอยู่แต่ก็เป็นการใช้อุบายในการเอาตัวรอดเหมือนกันเพราะการเดินทางบางทีมันก็เนี่ยแหละบางทีมันก็ได้ได้ในสิ่งที่เราไม่คุ้นเคยเนาะอาหารการกินก็ดีที่อยู่ที่อาศัยก็ดีนะหรือว่าการเดินทางก็ ทำให้เราเหนื่อยเมื่อยล้าอ่อนเพยลยร้อนกลบคืนหนาวเนีน้ก็ดีนะที่จริงมันก็เป็นเป็นรสชาตินะรสชาติของการเดินทางที่จริงเรา ก, ก็ไม่ได้เดินทางตั้งใจว่าจะเดินทางเพื่อให้ม่ไปถึงที่ไหนจริงเป้าหมายในในการเดินทางแต่ละวันก็ดีหรือว่าตลอดน่ย กระตอช่วงที่เราตั้งใจจะจะทุดงก็ดีนะที่จริงก็ไม่ได้สำคัญเท่ากับเท่ากับขณะที่เราเดินทางนนะหรือขณะที่เราหยุดพักเองก็ดีขณะปัจจุบันนี่แหละเป็นสิ่งที่ที่สำคัญที่สุดนะในการที่เราเฝ้าสังเกตดูดูสิ่งที่เกิดขึ้นนะในใจนะมันเป็นอย่างไรนะ สังเกตใจมันบ่นไหมเวลามันเหนื่อยเวลามันร้อนนะสังเกตใจมันดีใจไหมเวลาได้พักเวลาได้ของหกของฉันที่เป็นที่พอใจมันะมันก็ไม่ผิดนะที่มันจะบ่นหรือมันจะดีใจนะแต่ถ้าเรารู้ทันปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่ไปปรุงแต่งต่อนะความทุกข์มันไม่ใช่ ความทุกข์เสีนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะเราเราไปปรุงแตง่งแต่งต่อจนกระทั่งเกิดความเรียกว่าทอมากๆจนทุกข์เนาะเช่นเดินเมื่อใดจะถึงอะไรนะทําไมมันร้อนเหลือเกินนยคิดปรุงแต่งเนี่ยไอตัวสังขารตัวปรุงแต่งเนี่ยตัวสําคัญมากๆเลยนถ้าเราไม่รู้ทันในตัวปรุงแต่งเนี่ยมันก็จะทําให้เราทุกข์ไปเยอะกว่า เยอะกว่าร่างกายไปหลายเท่ามากนะคือร่างกายธรรมชาติมันก็ต้องทุกข์อยู่แลนะ้วแหละไม่ว่าจะเป็นความหิวเป็นความร้อนมีความหนาวนะเนี่ยต่นนีทั้งหมดร่างกายมันอาจจะหนาวนะอุณหภูมิอาจจะประมาณสิบสามสิบสี่องศาร่างกายอาจจะเย็นหน่อยนะแต่ถ้าเราไปปรุงแต่งมากมายมันก็ ม, มันก็คง คิดว่าไม่ไหวไม่ไหวไม่ไห ว, ไไวอะไรนีมแต่ถ้าเราลองแค่เฝ้าสังเกต ด, ดูร่างกายมันหนาวเราก็ห่มผ้าอยู่มันหนาวแบบไหนนะเราลองดูมันลองสังเกต ด, ดูเออร่างกายมันหนาวเนาะแบบก็ดูเฉยเฉยเนะี่ยมันก็รู้อยู่ว่าหนาวหนาวก็ไม่ได้หายแต่หนาวไม่เป็นความทุกข์ใจคือการดูเฉยไม่ใช่ว่าทําให้ความหนาวมันหายนะ แต่เราแค่ดูว่ามันหนาวนะร่างกายมันหนาวแต่ใจเราไม่ต้องไปปรุงแต่งเพิ่มเนี่ยมันก็ไม่ทุกข์ละเวลาร่างกายเราร้อนก็เหมือนกันก็สังเกตดูร่างกายมันร้อนเนะมันเหนื่อยนะเหงื่อออกเต็มหลังนะแข้งขาหอนแรงอะไรเนี่ยนะเราก็ดูมันดูแต่เราก็ยังทําหน้าที่ในการเดินอยู่นะี่ พอเราดูแบบนี้ไบ่อยเราจะอ้อมันก็จะปรับนะเช่นปรับลมหายใจนะมันปรับลมหายใจให้ให้มันสม่ำเสมอขึ้นนะบางครั้งเราเหนื่อยมากๆเราหายใจทางปากนะยิ่งเหนื่อยเราปิดปากหายใจทางจมูกดูให้ลมเข้าลมออกสม่ำเสมอนะมันเหมือนเป็นการเพิ่มแรงนะมันเป็นการเพิ่มสมาธินะมันทั้งบางครั้งเรากาหนดแค่ สติกับการเดินอย่างเดียวนะบางทีพอร่างกายมันเหนื่อยมากๆนะกาลังสติมันมันก็อาจจะยังไม่ชัดเจนมากหรือกําลังสมาธิมันอ่อนลงไปนะบางทีเราก็เพิ่มกําลังสมาธิเข้าไปเนะี่ยดูทั้งการเดินดูทั้งการหายใจยนะเวลาขึ้นเขานะมันเหมือนได้กําลังสมาธิเสริมนะมันก็ขึ้นไปได้เรื่อยๆนะได้เรื่อยๆนะอันนี้คือ พอเราสังเกตดูนะร่างกายมันก็จะค่อยๆปรับตัวเพราะว่าจิตใจของเรามันจะเกิดปัญญานะเกิดปัญญาในการเรียกว่าบำบัดความทุกข์ให้มันลดลงนั่นแหละนะที่จริงปัญญาจริงๆแปลว่าทำให้ทุกข์มันลดลงหรือว่าทำให้ทุกข์มันหมดไป น, ะนี่คือตัวปัญญานะทั้งความทั้งความทุกข์ที่เกี่ยวข้องกับร่างกายก็ดนะีปัญญามันก็ช่วย ความทุกข์ที่เกี่ยวข้องกับจิตใจก็ดีนะปัญญามันก็ช่วยนช่วยปรับให้มันลดลงนะเนี่ยเราเรามาเดินทางอย่างนะี้เราจะได้รู้จักพวกนี้แหละรู้จักพวกนี้แหละนะเพราะถ้าเราไม่ได้เดินทางในความยากลําบากหรือกันดารางนี้นนะบางทีเราก็จะไปใช้อย่างอื่นช่วยแทนนะอืเช่ น, นมันหิวมากๆนะเราก็ไปหาอะไร ขบฉันมันเหนื่อยมากๆเราก็พักแล้วเนะี่ยมันร้อนมากๆเราก็ไม่คงไม่เดินหรอกนะแล้วก็เลือกที่จะนั่งรถให้มันสบายๆนะเราก็อาจจะได้ความสบายได้ความสะดวกนะแต่อาจจะไม่ได้เกิดการเรียนรู้ในการที่เออมันในในสภาวะร่างกายที่ทุกนะเราก็สามารถที่จะปรับร่างกายให้มันทุกน้อยลงก็ได้นะ หรือในสภาพร่างกายที่จิตใจมันฟุ้งซ่านมันฟุ้งแต่งเราก็สามารถที่จะเรียกว่ามีสติรู้ทันมันก็หยุดการฟุ้งแต่งได้นะเนี่ยไม่จําเป็นต้องใช้ตัวช่วยมากมายก็ได้เนี่ยเราก็จะเห็นเราก็จะเรียกว่าดึงศักยภาพเนาะของตัวเราขึ้นมาเนี่ยแหละศักยภาพมันมันมีอยู่แล้วนะแต่เพียงแต่ว่ามันเหมือนเราไม่ได้ฝึกฝนเนาะ เหมือนเราสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ได้แหละถ้าเราได้ฝึกฝนนะออาจะทำได้ดีมากน้อยนาดไหนก็อยู่ที่การฝึกฝนแล้วก็ความฉลาดในการในการสังเกตในการเรียกว่าพินิจพิจาร์ด้วยแหละเนาะการเดินทางก็เหมือนกันสามารถเดินได้ทุกคนได้เลย่นะแต่บางครั้งบางคนอาจจะเดินได้ทนหรือเดินไม่ทน มันก็อยู่ที่การเนี่ยแหละปรับปรับกายปรับใจของเราเป็นส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นตัวช่วยเนี่ยเราก็ดูตรงนี้นะเราก็พยายามสังเกตดูแล้วก็สังเกตดูร่างกายสังเกตดูจิตใจในขณะที่มันกำลังเดินทางอยู่หรือแม้แต่ขณะที่เราเกี่ยวข้องกับผู้คนสองข้างทางนะก็ดีนะ ก, ก็สังเกตดูจิตใจของเราด้วยนะเวลาเราคุยกับชาวบ้านนะเราก็คุยเพื่อเป็นบทสนทนานะพาสุขสุขดิบนะแต่เราก็สังเกตดูจิตใจของเราไปด้วยปะมันรู้สึกอย่างไรอยู่นี่นะนี่คือสิ่งสำคัญในการเดินทางนะถ้าเราเดินทางแบบทุ ด, ดงแบบจาริกแบบนี้เราจะได้ ได้ประสบการณ์นะทั้งภายนอกนะแล้วก็ประสบการณ์ทั้งภายในนะที่มันจะช่วยให้เราเรียกว่าเอาไปใช้ในชีวิตในส่ว น, นอื่นอื่นอีกได้ได้เยอะมากนะได้เยอะมากบางทีก็เนี่ยบางทีก็ต้องเรียกว่าเผื่อใจนะเนาะเตรียมใจที่ต้องเจอกับสิ่งที่เราที่เรา ไม่สามารถคาดการได้นะเผื่อใจไวนะ้หรืออีกไม่กี่วันนะบางทีก็เผื่อใจไว้ก่อนนะวิจนาดูไว้ก่อนเราเอาจจะต้องเข้าป่าใหญ่นะทุ่งใหญ่นะเด ส, สวนห้วยขาแข้งอะไรนะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเส้นทางมันจะยากลำบากขนาดไหนนะใจเราพร้อมไหมนะที่จริงทุ ด, ดงจริงๆนะหือจะด้จริงๆอ่ะมันเหมือน เรีกว่าไปแบบไม่รู้จะได้กลับหรือเปล่านะ <c oughs> แต่เมื่อก่อนเวลาทุ ด, ดงเวลาจะาลิเนี่ยเรียกว่าไปแบบเรียกว่าลากันเลยก่อนก่อนออกเดินทางลากันเลยไม่รู้จะ ไ, ได้มีโ <c oughs> อกาสมาเจอเลยอีกหรือเปล่านะไม่รู้ว่าจะมีชีวิตรอดหรือเปล่านะเอาแบบนั้นเลยนะส่วนตัวผมเองก็ทือถ้าเข้าป่ารอบนี้ก็คิดแบบนั้นเหมือนกันนะบางที เราก็ไม่แน่นะว่าจะเจออะไรเนาะหมูคณะเองก็เผื่อใจไว้เลยนะอืมบางทีเราก็ไม่รู้จะเจออะไรนะแบบเราพร้อมไหมสมมติว่าอื ม, ม, มุเราอาจจะุมมติชีวิตเราไม่รอดนะแต่เราตายในผ้าเลืองนะหรือว่าบางคนไม่ได้อยู่ในผ้าเลืองนะแต่ตายในขนาดที่ออกจาริกทุ่ดงอยนะ่เนี่ยเราพร้อมไหม อันนี้เป็นวิธีของการทุรดงแล้วก็การจารัริกแบบนั้นจริงนะคือเหมือนออกจากบ้านนะไม่รู้จะได้กลับบ้านอีกหรือเปล่าคือเราออกจากวัดนะก็ไม่รู้จะได้กลับวัดอีกหรือเปล่านะนะแต่เราก็เดินทางไม่ใช่ว่าเพื่อจะให้มันไปถึงไหนนะนะแต่เราเดินทางเหมือนเพื่อฝึกฝนตนนะนะแต่ขณะที่ฝึกฝนมันอาจจะมัน ก, มนก็มันก็มีอันตรายเนาะนะ อา จ, จะรอดหรือไม่รอดเราก็ไม่รู้เนี่ยพระทุดมก็แบบเนี้ยเนาะหรือว่าอย่างในที่เบตนะี่เวลาเขาทุ ด, ดงจาริกอะเขาใช้การกราบนะเป็นการแบบเดินไปตามภูเขาศักดิ์สิทธิ์เช่นเขาไกรราชบ้างเขาหรือไปราซาบ้างไปที่นั่นที่นี่บ้างคือเขาออกจากบ้านนะเดินกราบไปเล ย, เยไม่รู้กี่ปีเนี่ยถึงจะถึง ิดหมายต่างๆนั้นนะเรียกว่าลาลาญาติี่น้องเลยว่าท่านจะไปจาริกกันนะจะมีชีวิตยอยู่หรือี้อีกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่เรียกว่าไปละเนี่ยไปแบบนั้นเลยพัทุดงหลายรูปที่รู้จักก็บางรูปก็เนี่ยแหละที่น่ากลัวจริงๆคือไข้ป่านะไข้ป่ามา เ, เรียนะน ถ้าโดนยุงกัดนะสิบวันถึงสิบสี่วันมีอาการแล้วก็ <c oughs> ก็ยากอะนะแต่ถ้าช่วยเอาออกมารักษาก็อาจจะได้เลยนะใครป่าก็น่ากลัวนะสัตว์ป่าก็น่ากลัวนะอันตรายหลายอย่างนะมันก็น่ากลัวแต่เราถ้าเรากล้าเราเราก็ลองดูว่าชีวิตนี้นะคุมผู้เราฝากไว้กับกับพระธรรมเนาะ เราเดินทางเพื่อเหมือนฝึกฝนนะเพื่อพัฒนาตนเนะี่ยสิ่งต่างๆพวกนี้ก็เหมือนเป็นคู่ต่อสู้นะเป็นเป็นอุปสรรคเป็นคู่ต่อสู้นะแต่เราไม่ใช่ไปสู้เพื่อจะชนะสตัตป่านะไม่ใช่จะจะไปชนะป่ากเขานะแต่การต่อสู้จริงคือชนะใจของเรานะชนะใจของเราเองว่าเราจะชนะ มันได้หรือเปล่าเนะ่ยเวลาเกิดความกลัวเวลาเกิดความท้อนะเวละเกิดความทุกข์นะเราสามารถชนะกันนั้ได้หรือเปล่านะบางทีเราอาจจะไม่ชนะยุ่งนะอาจจะต้องถูกยุงตัดนะหรือถูกสัตว์ร้ายทาลายนะเราอาจจะไม่ชนะแต่เราสามารถชนะใจของเราที่ก้าวข้ามมันได้หรือเปล่าเนี่ยคือการวิธีของการฝึกตนนะ เหมือนสมัยก่อนนะซัมเมร์ไที่ญี่ปุ่นนะ่ะเวลาเขาจะมีวิถีซัมเมร์ไลนะที่จริงก็เป็นวิถีทางการฝึกตนนะเป็นนักรบนะแต่ไม่ใช่เน้นไปเพื่อฆ่าคนอื่นนะแต่ในขณะที่เขาฝึกซ้อมนะซัมเมร์ไก็ดีหรือว่าต้องไปต่อสู้กับคู่ต่อสู้ก็ดีนะบางทีอาจจะตายด้วยซัมเมร์ไของคนอื่นน แต่ก็ถือว่าตายในวิถีของนับลบตายในวิถีของธรรมะเลยก็เรียกว่าตายอย่างสมศักดิ์ศรีนะหรือบางคนรอดก็รอดไปตายก็เยอะเออเนี่ย น, นะนั่นวิถีของการฝึกตนบางทีมันก็อาจจะมีอันตรายบ้างแต่มันก็เป็นความท้าทายแบบหนึ่งนะเพราะถ้าเราจะคิดดีอยู่ดีๆนะไม่ออกไปเจออะไรเลยทักวันหนึ่งก็ต้องตายเหมือนเดิมนั่นแหละ อาจจะตายเพราะแก่เท่าอยู่ที่บ้านหรืออาจจะตายเพราะโรคที่มันสะสมเพราะว่าความกลัวความเครียดหรือว่าความสะดวกสบายนะเป็นไขมันเป็นเบาหวานเป็นความดันนะอะไรพวกนะั้นสุดท้ายชีวิตทุกคนก็ต้องตายไม่ว่าจะออกเดินทางหรือไม่ไม่ว่าจะกลัวหรือไม่กลัวนะไม่ว่าจะมีชีวิตแบบไหนนะสุดท้ายก็ต้องตายเหมือนกัน แต่ถ้าเราพิจารณาดีว่าชีวิตก่อนที่เราจะตายเนาะเราได้ใช้ชีวิตอย่างที่เราคิดว่ามันมันสมควรแล้วหรือยังมันดีงามแล้วหรือยังมันเปิดประโยชน์นะแล้วหรือยังผมว่าชีวิตจะสั้นหรือจะยาวไม่ไมไ่สำคัญเท่ากับการใช้ชีวิตนะก่อนที่จะตายใช้ชีวิตแบบไหนบางคนมีชีวิต ที่ยาวนะแก่เท่าแต่เป็นชีวิตที่อาจจะไม่เป็นประโยชน์มากนะักเป็นชีวิตที่ที่เรียกว่าสนองกิเลสตัณหานะจนทั้งตั้งแต่หนุ่มจนแกนะ่หรือเป็นชีวิตที่อยู่ด้วยความกลัวอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยตลอดไม่กล้าเสี่ยงไม่กล้าลุยไม่กล้าทำอะไรที่เป็นการ ถ้าทายตัเองหรือเอาชนะจิตใจตัวเองเลยนะอยู่แต่ที่ที่ปลอดภัยคุ้นเคยมันก็ดีระดับหนึ่งแต่ก็อาจจะไม่ได้เป็นการสุดผลตนลนะแต่เราก็ไม่รู้ชีวิตเราจะอยู่ยาวนานขนาดไหนเนาะแต่ถ้าเรามองว่าชีวิตคือการเรียนรู้นะ่ะหรือชีวิตคือการพัฒนาตนนะเราก็ใช้ชีวิตเพื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนนะพัฒนาจิตนะ่ะ จ่สิ้นสุดชีวิตตอนไหนนะถ้ามองจริงๆมันก็เป็นเพียงแค่สิ้นสุดในชีวิตของร่างกายหนึ่งเท่านั้นถ้าจิตวิญญาณมันยังไม่ถึงจุดหมายคือยังไม่พ้นทุกจริงๆมันก็มันก็แค่เปลี่ยนสภาพแต่เราก็ต้องไปเดินทางใหม่ไปใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่อีกเหมือนเดิมนะแต่มันก็จะเป็นการต่อยอดในสิ่งที่เรา ที่เราได้ฝึกฝนพัฒนาไว้ก่อนแล้วนะหรือถ้าคนไม่ฝึกฝนไม่พัฒนาเลยมันก็ไปต่อยอดในด้านด้านที่มันติดกับกิเลสต่างๆเหมือนเดิมนั่นแหละนะไม่ได้ต่างกันอนะอันนี้คือถ้าเราชัดเจนกับเป้าหมายชีวิตของเรานเะนาะไม่ดูผมก็ว่ามันก็เราก็ควรที่จะเลือกใช้ชีวิตในทาง ฝึกผลพัฒนาจิตใจของตอนนี่แหละให้ให้เกิดสติปัญญาจนทั้งพ้นจากความทุกข์นะได้นะอันนี้คือน่าจะเป็นชีวิตที่ประเสริฐซึ่งก็ขอให้พวกเราทุกคนแน้ะก็ใช้ทุกวันเวลานะที่เรายังมีชีวิตอยู่นะได้ไ ด, ได้พยายามฝึกฝนตนให้ให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้เนะาะเมื่อถึงวันหนึ่งที่เราจะต้อง ละจากโลกนี้ไปเราจะได้ไม่ไม่เสียใจนะที่เราได้ทำในสิ่งที่เราตั้งใจทำแล้วเนะี่ยแม้มันจะจบกิจหรือไม่จบกิจก็ไม่ได้สำคัญเท่ากับเราได้ทำในสิ่งที่เราเราคิดว่ามันดีมังานมันประเสริฐแล้วเนะี่ยตอนตายก็จะได้ไม่ต้องอะไรอาวร์กับโลกนี้นะ <c oughs> ก็ฝากไวก้ครับ